ผมต่อไปนี้ผมจะพูดสั้นลงนะครพอพอให้จับประเด็นได้เทนั้นเองวันนี้เราก็มาปฏิบัติครับปฏิบัติผมพูดคําปฏิบัติเหมือนเครื่องรางของถังไปแล้วนะเช้าก็ปฏิบัติเย็นก็ปฏิบัติคือคือจริงๆแล้วมันคําปฏิบัตินี่มันมันเป็นคําพูดเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่นั่นเรากำลังปฏิบัติ มีคนเป็นจำนวนมากทีเดียวนะครับที่เข้าใจผิดต่อคาปฏิบัติเช่นกเ็เฮียนกระหือปฏิบัติพูดกับเพื่อนบอกเดี๋ยวก่อนเถอะลูกโตหน่อยกูจะเข้าวัดปฏิบัติให้มันรู้เรื่องแต่อย่างนี้รับรองเลย <c oughs> จนตายเนวย น, นะครับเพราะฉังเข้าใจผิดอยู่ต่อเวลาและสถานที่ถ้าจะต้องคาถามว่า <c oughs> ปฏิบัติธรรมะที่ไหนดีที่สุดใ ค, ใครตอบได้บ้างครับ ที่ไหนดีที่สุดมีคำตอบเช่นนี้ซึ่งผมไม่เห็นด้วยแต่ก็ตอบให้ฟังบอกว่าปฏิบัติธรรมในวัดง่ายที่สุดปฏิบัติในบ้านยากที่สุดแต่ว่าที่ที่ดีที่สุดนั้นไม่ใช่บ้านไม่ใช่วัดไม่ใช่ป่าไม่ใช่ในกุฏิ ไม่ใช่ในฝูงคนไม่ใช่ใลโรงหนังในร้านกาแฟาที่ที่เรารู้สึกตัวเพราะทําถ้าไม่รู้สึกตัวมันไม่ปฏิบัติอยู่แล้วเขา้าใจไหมครับเมื่อที่ที่เรารู้สึกตัวได้ทีนี้ในส้วมก็ได้ครับกำลังนั่งถ่ายอยู่ก็รู้สึกตัวขึ้นมานี่นะตรงนั้นเนี่เหมาะที่สุดแล้วบางทีหลายคนคิดว่าต้องไปปฏิบัติที่ฐานเจดีนอนไปนครศรีธรรมรา ยกกระโบนลไปขาดสติไปแทกต้นมือจนกระทั่งไปจนกลับแล้วคิดว่าไปปฏิบัติธรรมนี่คือคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงครับจัดรถทัวทอดกตินไปโอ้เชียงรายนะครับจะไปปฏิบัติทรรทั้งทั้งนี่ที่ที่เหมาะที่สุดอยู่แค่ปลายจมูกนะครับทำเวลาไหนเป็นเวลาที่ปฏิบัติดีที่สุดบางคนบอกว่าเวลาเช้าตรู่ที่สี่เหมาะจิตใจแ จ, จ่มใส บางพวกก็ไว้แก่ๆ ก, ก่อนเวลาเท่าฉลาเวลาที่รู้สึกตัวครับเวลาที่ไม่รู้สึกปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วจริงไม้มฟังออกไหมครับที่ผมพูดเนะี่ยมันไม่เกี่ยวกสถานที่ข้างนอกไม่เกี่ยวกับเวลาข้างนอกเลยถ้าขาดความรู้สึกตัวเนี่ยต่อให้ไปนอนในกุฏิพระเอาพุทธรูปมาทูลโหยทั้งคืนก็ปฏิบัติไม่ได้ครับ อาจวรพรามาพโหวไว้ก็ไม่ได้เอาคมภีมาคาบไว้ที่ปากด้วยก็ปฏิบัติไม่ได้อยู่แล้วครับดังนั้นที่ที่ดีที่สุดเวลาที่ดีที่สุดก็คือที่และเวลาที่เรารู้สึกตัวได้ในตลาดก็ได้ครับถ้ารู้สึกตัวกัในตลาดนั่นคือการปฏิบัติแต่ถ้าคิดว่าเออตอนนี้เรามาตลาดเดี๋ยววิ่งกลับไปที่วัดจะได้ปฏิบัติอย่างี้ อย่างนี้กระโดดข้ามไปแล้วครับเข้าใจไหมเพราะเราปฏิบัติเข้ามาที่ตัวเข้ามาที่กายเข้ามาที่เวทนาเข้ามาที่จิตเมื่อเข้ามาที่กายที่เวทนาที่จิตแล้วเนี่ยเราก็จะเห็นธรรมเช่นเห็นทุกข์เห็นความดับทุกข์เห็นความเสื่อมไปของทุกข์นปรากฏโดยเฉพาะหน้าเข้าใจไหมครับดังนั้นที่ตรงไหนก็ได้ครับเวลาดก็ได้